ปันจะวัตถุยาจนะกาว่าด้วยพระเทวทัตกราบทูลขอวัตถุห้าประการสมัยนั้นพระเทวทัตพร้อมกับบริษัทเสื่อมลาบสการะ จึงพากันออกปากขอพัตตาหารในตระกูลทั้งหลายมาฉันคนทั้งหลายจึงตำหนิประนามโพนทนาว่าฉะไหนพวกพระสมณะเชื้อสายสากยบุตรจึงเที่ยวออกปากขอพัตตาหารในตระกูลทั้งหลายมาฉันเล่าพัตตาหารที่ดีใครจะไม่พอใจพัตตาหารอร่อย ใครจะไม่ชอบเล่าภิกษุทั้งหลายได้ยินคนทั้งหลายตำหนิประนามโพนธนาบรรดาภิกษุผู้มักน้อยสันโดษจึงตำหนิประนามโพนธนาว่าฉไหนพระเทวทัตรพร้อมกับบริษัทจึงเที่ยวออกปากขอพระตาหารในตระกูลทั้งหลายมาฉันเล่าจึงนำเรื่องนี้ ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาคทรงสอบถามพระเทวทัตว่าเทวทัตทราบว่าเธอพร้อมกับบริษัทเที่ยวออกปากขอพัตตาหารในตระกูลทั้งหลายมาฉันจริงหรือพระเทวทัตทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้า พผู้มีพระภาคทรงตำหนิครั้นทรงตำหนิแล้วทรงแสดงธรรมีกถารับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นเราจะบัญญัติโภชนะที่คนสามคนพึงบริโภคในตระกูลทั้งหลายแก่ภิกษุทั้งหลาย โดยอาศัยอำนาจประโยชน์สามประการคือหนึ่งเพื่อคมบุคคลผู้เกอ้อยาก 2. เพื่อความอยู่ผาสุขแห่งเหล่าภิกษุผู้มีศีลดีงาม 3. เพื่ออนุเคราะห์ตระกูลด้วยหวังว่าภิกษุที่ปรารถนาชั่วอย่าอาศัยพักพวกทำสงให้แตกกัน ภิกษุฉันคณะโพชนะพึงปรับอาบัตตามธรรมครั้งนั้นพระเทวทัตเข้าไปหาพระโกกาลิกะพระกะตะโมรกะติสกะพระขันดะเทวีบุตรพระสมุทท ต, ตะถึงที่อยู่ครั้นถึงแล้วได้กล่าวกับท่านเหล่านั้นดังนี้ว่ามาเถิดท่านทั้งหลาย พวกเราจะทำลายสงฆ์ทำลายจักของพระสมณะโคดมเมื่อพระเทวทัตกล่าวอย่างนี้พระโกกาลิกะได้กล่าวกับพระเทวทัตดังนี้ว่าท่านพระสมณะโคดมมีฤทธานุภาพมากพวกเราจะทำลายสงฆ์ทำลายจักของพระสมณะโคดมได้อย่างไร พระเทวทัตกล่าวว่ามาเถิดท่านทั้งหลายพวกเราจะเข้าไปเฝ้าพระสมณโคดมแล้วทูลขอวัตถุห้าประการว่าพระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคตรัสสรรเสริญความมักน้อยความสันโดษความขัดเกลาความกำจัดอาการหน้าเลื่อมใสการไม่สะสม การปรารบความเพียรโดยประการต่างๆวัตถุหประการเหล่านี้ก็เป็นไปเพื่อความมักน้อยความสันโดษความขัดเกล่าความกำจัดอาการหน้าเลื่อมใสการไม่สะสมการปรารบความเพียรโดยประการต่างๆข้าพระพุทธเจ้าขอประธานวโรกาสดังนี้ 1. ภิกษุทั้งหลาย ควรอยู่ป่าตลอดชีวิตภิกษุรูปใดเข้าบ้านภิกษุรูปนั้นมีโทษ 2. ภิกษุทั้งหลายควรเที่ยวบินทบาทตลอดชีวิตภิกษุรูปใดยินดีกิจนิมนต์ภิกษุรูปนั้นมีโทษ 3. ภิกษุทั้งหลายควรถือผ้าบังสุกุลตลอดชีวิตภิกษุรูปใด ยินดีผ้าคหาหะบดีพิกษุรูปนั้นมีโทษ 4. ภิกษุทั้งหลายควรอยู่โคนไม้ตลอดชีวิตภิกษุรูปใดอาศัยที่มุงที่บังภิกษุรูปนั้นมีโทษ 5. ภิกษุทั้งหลายไม่ควรฉันปลาและเนื้อตลอดชีวิตภิกษุรูปใดฉันปลาและเนื้อ ภิกษุรูปนั้นมีโทษพระสมณะโคดมจะไม่ทรงอนุญาตวัตถุห้าประการนี้แน่พวกเราจะใช้วัตถุห้าประการนี้ชักชวนให้ประชาชนเชื่อถือท่านเหล่านั้นปรึกษากันว่าพวกเราสามารถที่จะใช้วัตถุห้าประการเหล่านั้นทำลายสงทำลายจักของพระสมณะโคดมได้ เพราะยังมีพวกมนุษย์ที่เลื่อมใสในการปฏิบัติปอนปอนครั้งนั้นพระเทวทัตพร้อมกับบริษัทธได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้ถวายอภิวาสแล้วนั่งลงณที่สมควรกราบทูลว่าพระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคตรัดันเสริญความมักน้อยความสันโดษ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 ไม่ควรฉันปลาและเนื้อตลอดชีวิตพิกษุรูปใดฉันปลาและเนื้อพิกษุรูปนั้นมีโทษพระผู้มีพระภาคตรัสห้ามว่าอย่าเลยเทวทัตพิกษุรูปใดปราถนาก็จงอยู่ป่าเถิดพิกษุรูปใดปราถนาก็จงอยู่ในละแวกบ้านเถิด ภิกษุรูปใดปราถนาก็จงเที่ยวบินทบาทเถิดภิกษุรูปใดปราถนาก็จงยินดีกิจนิมนเถิดภิกษุรูปใดปราถนาก็จงถือผ้าบังสุกุลเถิดภิกษุรูปใดปราถนาก็จงยินดีผ้าขหะบดีเถิดเทวทัตเรา อนุญาตถือเสนาสนะตามโคนไม้แปดเดือนเท่านั้นเราอนุญาตปลาและเนื้อที่บริสุทธิ์ด้วยอาการสามอย่างคือหนึ่งไม่ได้เห็นสองไม่ได้ยินสามไม่ได้นึกสงสัยครั้งนั้นพระเทวทัตร่าเริงดีใจว่า